ยำรู้สึกตัวไม่มีอะไรดีเท่าคอยรู้สึกตัวไปนะแต่อย่าเพ่งรู้สึกกายแต่ไม่ได้เพ่งกายรู้สึกทันจิตใจแต่ไม่เพ่งจิตใจไม่เพ่งอะไรแค่รู้รู้กับเพ่งไม่เหมือนกันรู้นะไม่ได้จงใจจะรู้นะมันรู้ขึ้นเองเพ่งเนี่ยมันจงใจจะเพ่งอยากอยากดูอยากรู้ให้ชัดอะไรย่างี้ ไปถลําลงไปจ้องไว้กลัวรู้ไม่ชัดกลายเป็นเพ่งใจก็นิ่งๆนิ่งๆก็ไม่แสดงใจรักไม่แสดงใจรักใช้ไม่ได้แล้วได้แต่สมถะ h a เราภาวนา น, น, นับวันไปยิ่งละเอียดละเอียดขึ้นแต่เดิมต้องคิดว่าเผลอเนี่ยต้องเผลอแรงๆจริงใจคลาดเคลื่อนจากสภาวะในปัจจุบันก เ, เรียกเผลอล้ ละเอียดนะค่อยๆสังเกตไปกิเลสห ย, ยาบๆมาได้เพราะกิเลสละเอียดนี่แหล ะ, ะก่อนจะหยาบก็ละเอียดก่อ น, นค่อยรู้สึกนะค่ยรู้เฉยๆไม่เพ่งสิ่งที่ผิดมีสองอันเผลอไปก็คือลืมกายลืมใจไหลไปเผลอไปไม่ตั้งมั่นอีกอันหนึ่งเพ่งน้อยตั้งมั่นมากไปตั้งยนกระดิกไม่ได้ รู้เนี่ยเป็นกลางๆเวลาเรารู้สภาวะทั้งหลายนะใจสบายใจปลง่งโล่งเบาสบายใจเป็นกุศลใจที่เป็นกุศลนั้นมีความสุขแต่ไม่ได้เอาแค่นี้มีความสุขเข้ามาแล้วรู้กายรู้ใจเรื่อยไปเจริญปัญญาเนี่ยเห็นเลยโอ้ทุกอย่างเกิดแล้วดับนะสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วดับ ไม่มีอะไรที่ถาวรสักอันเดียวถ้าใจยอมรับได้ก็ได้ธรรมะนะได้เป็นพระโสดานะพระสกทาคาก็เหมือนเดิมนะแต่ว่าใจมันตั้งมั่นมากขึ้นไหลน้อยลงไหลไม่นานไหลบ่อยขึ้นไหลบ่อยขึ้นนะไม่ใช่พระสกทาคาไม่ไหลแต่ไม่ไหลไปแชนะ่จิตไหลแวบก็รู้สึกแล้วแวบก็รู้สึกไม่แช่พรนะานาคาจิตไม่ไหลไปละ ก็จิตฉลาดจิต ท, ที่ไม่ไหลไปนี่มีความฉลาดในสองด้านพวกที่รู้รูปนะจะเห็นรูปลไม่มีสาระรูปเสียงกลิ่นรสปุถพระไม่มีสาระมายุ่ยยวนจิตให้ไหลไปไม่ได้เห็นแล้วมันไม่มีสาระอีกพวกหนึ่งที่หัดรู้จิตรู้ใจรู้นามเนี่ยจะรู้ว่าถ้าจิตหลงไปอยากหลงไปยึดแล้วจิตจะทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตจะไม่ทุกข์ เรมีปัญญาอย่างนี้นะรู้เลยหลงไปดูก็ทุกข์หลงไปฟังก็ทุกข์เห็นแต่ทุกข์เห็นอย่างนี้จิตฉลาดนะจิตต้องไม่หลงไปไม่เอาจิตไม่เอาทุกข์จิตก็เต็มดวงขึ้นมาเพั้นเวลาเราดูจิตนะบางทีมันตัดเนี่ยไม่ใช่ตัดตรงที่กายด้วยที่ตัดตรงที่จิตไม่ใช่ว่าต้องรู้กายแจ้งจิตออกไปยึดกายได้ออกไปยึดรูปเสียงกลิ่นรสพลัทธภาได้นะมันมีสองเงื่อนไข เงื่อนไขหนึ่งฉิมันหลงไปเองมันไม่รู้ว่าหลงไปอยากไปยึดแล้วจะทุกข์อีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือมันเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสผดผลาญนะั้นเป็นของดีของวิเศษถ้าไหลไปหาได้แล้วจะมีความสุขนะงั้นเวลาจะให้หายโง่นะให้เห็นความจริงว่ารูปเสียงกลิ่นรสผดผลาญเป็นตัวทุกข์ก็ไดนะ้ร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นตัวทุกข์อนยะ่าง น, นี้ก็ได้หรือจะเห็นว่า จิตที่หลงไปอยากหลงไปยึดมันทุกอย่างนี้ก็ได้นะพอจิตมันฉลาดนะนรู้ว่าอยากแล้วรู้ว่ายึดแล้วมันจะทุกขนะ์แล้วมันก็ไม่ไปอยากไม่ไปยึดก็ตั้งมั่นเด่นดวงอยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในผู้ปฏิบัติที่ได้พระนาคานะจิตจะทรงตัวเด่นอยู่งั้นทั้งวันนะนะมีสมาธิบริบูรณ์คือไม่หลงไม่ไหลไปอีกต่อไปแล้วสมาธิบริบูรณ์แต่สมาธิเสื่อมได้ไหมได้ แต่จิตไม่ไหลไปหากรรมคือรูปเสียงกลิลพพ่นรสปุถพะนะสมัยหลวงพ่อหัดภาวนาใหม่ๆนะปีสองห้ามีคราวหนึ่งนะไปกลับหลวงปู่ดูลเสร็จแล้วต่อขึ้นไปหาหลวงปู่เทศเนะืนะ้รือจะไปหาหลวงปู่เทศก่อนแล้วมาหาหลวงปู่ดูลจําไม่ได้นะชักจะจําไม่ได้นะจะไปหาหลวงปู่เทศกันไปกับน้องชายพงเชษชื่อพงเชษไปด้วยกันสองคนนะสมัยไปเที่ยวหาครูบาอาจารย์ก็มีกระยาณมิตรเหมือนกัน มีอยู่สองคนและเที่ยวไปเรียนจากครูบาอาจารย์บางทีเดินกันเป็นวันวันเลยไปหาหลวงปูเทศครั้งแรกเนี่ยเข้าไปกราบท่านตอนบ่ายบ่ายสักบ่ายสองเพราะกว่าเราจะไปถึงเนี่ยมันเลยเที่ยงละไม่ทันตอนท่านฉันเช้ารู้อีกทีว่าท่านจะมาตอนบ่ายสองก็ไปรอรอนะไปรออยู่หน้ากุฏิท่านสมัยนั้นคนไม่มากคนมาแต่ตอนเช้าตอนบ่ายไม่มีคนมีแต่คนในวัด ก็เเปิดประตูก็ตามเข้าไปนะพวกผู้เฒ่าคุณป้าทั้งหลายอยู่ในวัดกนะ็ไปรายงานหลวงปู่พอมาถึงนายพงเชษ์เอาเชียวนี่มาหลังรงได้ยินนะหลวงปู่ครับผมอยากละกามแต่ใจมันยังอะไรวอนอยู่หลวงปู่อุทานอา้าวนี่มีอุทานเลยนะอา้อาวอะไรวอนก็ละไม่ได้สินั่นพูดอย่างนี้นะ พวกคุณป้าทั้งหลายนาา่ะหันไปยิ้มกันใหญ่เลยเพราะคุณป้ายัางละไม่ได้เป็นกันท่านก็บอกว่าจิตที่มันละกามได้นะเพราะมันเห็นโทษมันเห็นโทษถ้ามันไม่เห็นโทษมันละไม่ได้หรอกเนี่ยท่านว่าอย่างนี้เห็นโทษเนี่ยโทษของอะไรโทษของกามเห็นไหมงั้นบางท่านภาวนาเนี่ยนะท่านละกามได้ท่านพ้นกามได้เพราะท่านเห็นโทษของกาม อะไรเรียกว่ากามรูปเสียงกลิ่นรสพอธะภะเรียกว่ากามนะแล้วก็เครื่องมือที่ไปรู้รูปเสียงกลิ่นรสพอธะภะก็คือกายนะตาหูจมูกลิ้นกายนี่ท่านเห็นกายเป็นโทษบ้างเห็นรูปเสียงกลิ่นรสพอธะภะเป็นโทษบ้างท่านก็หมดความยึดถือจิตมันฉลาดขึ้นมาจิตมันรู้ว่าอารมณ์ที่จิตจะไปยึดถือนะั้นไม่น่ายึดถือหรอกมีแต่ทุกเนี่ยมันเห็นทุกหนะ้ามัน รูปก็เป็นทุกข์เสียงก็เป็นทุกข์กลิ่นก็เป็นทุกข์นะคล้ายๆที่พระพุทธเจ้าสอนนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของร้อนใช่ไหมรูปเสียงกลิ่น od, รสปฐพภาธรรมารมเป็นของร้อนเ น, นี่ยท่านสอนพระอะไรพวกเรือสีฉ ด, ดินนะฉ ด, ดินพันองคนะ์พระเจ้าสอนอาทิ les, ตตะปริยาตยสูตรนะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นของร้อนรูปเสียงกลิ่น od, รสปฐพภะธรรมารมเป็นของร้อนเนะี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในภายนอกนี่เป็นของร้อน คือมันเป็นทุกข์มันเป็นโทษเห็นอย่างนี้ท่านก็วางปล่อยวางนี่อย่างนี้วางก็ได้นะบางท่านไม่ได้ดูที่กายหรอกบางท่านดูที่จิตมันเกิดปัญญาขึ้มารู้ว่าถ้าจิตไปหลงไปอยากจิตหลงไปยึดจิตจะทุกข์พอรู้อย่างนี้นะจิตมันเลยหมดอยากหมดยึดนะมันไม่อยากไม่ยึดไม่ไหลไปหากามมาคุณอารมณ์นี่จะจัดการไปเรียนรู้ตรงกลามก็ได้ตรงกายก็ได้นะหรือจะมาเรียนรู้ที่จิตก็ได้ พ้นเป็นอันเดียวกันเพราะสองงานนี้คล้ายๆไม้ที่พิงกันอยู่อย่างเงี้ยนะดึงออกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็ล้มนะถ้าไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายนะมันก็พ้นจากกวามถ้าปาจิตมันฉลาดมันรู้ว่าถ้าอยากถ้ายึดนะแล้วมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมามันก็ไม่ยึดเหมือนกันถ้าเห็นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นของไร้สาระมันก็ไม่ยึดเหมือนกันแล้วแต่จะมองมุมใดก็ได้เยอะแย ะ, ย ะ, ยะการปฏิบัติใครทําอีท่าไหนก็ได้ให้มันพ้นก็แล้วกัน นั้นเราเห็นตาหูจมูกลิ้นไกาเป็นของทุกเนี่ยเป็นตัวทุกขเป็นโทษเป็นทุกขอย่างนี้ก็ไม่ยึดมันใช่ไหมเห็นว่าถ้าไปยึดมันเมือ่อไหร่เราทุกเนก็ไม่ยึดมันเหมือนกันนะใจมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมางั้นพระนาคานะใจมันจะตั้งเด่นอยู่งั้นทั้งวันนะไม่ไหลไปหากรรมท่านหลพ้นกรรมทันทีที่พ้นกรรมกาพ้นปฏิฆาอัตโนมัตินะ คามมันคือความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระปฏิฆะคือความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระยังมีพอใจมันก็ยังมีไม่พอใจนะวันนี้พอใจมากกว่านี้ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่พอใจมากกว่านี้อรมีเทียบกันงั้นลาลา้ลาลา้ลาด้วยกันนะลา้ลาคามแลี่ปฏิฆะลาพร้อมๆกันการภาวนาที่เหลือมันจะบีบวงเข้ามาที่จิตอันเดียวละงั้นการภาวนาเนี่ยบางท่านเริ่มจากกาย เริ่มจากกายนะแล้วมาตัดลงที่จิตอย่างนี้ก็ได้บองท่านเดินมาจากจิตรวดเลยแล้วมาตัดลงที่จิตอย่างนี้ก็ได้ไปได้ด้วยกันทั้งนั้นมีหลายแบบแล้วแต่จริตนิสัยว่าสนาบารมีแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สรุปง่ายๆก็คือต้องเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละไปดูอย่างอื่นไม่พ้นหรอกอะวันนี้เทศแล้วลืมเทศรอให้โยมเข้ามาให้พร้อมๆเทศไปเทศมาติดลม ยาวไปเลยเอาตรวจกันบ้านคนอยู่วัดเชิญว่องไวที่เนี่ยต้องการความไวที่สุดเลยเอากลับนพะิธกรารหลวงพ่อคะ่ะคือพอเริ่มจะเห็นนะคะว่าความคิดที่มันกลับมาเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราเชื่อมันเป็นจริงแล้วก็อยากาให้มันจะให้มันเป็นจริงอยากมันนะอยากมันก็โหยหาดึงกลับมาบ่อยๆรู้ไปแล้วก็ข้อเสียข้อเสียคือ พอเวลาเห็นสภาวะแล้วมันจะประคองหรือไม่ก็จะกลับไปรู้เพราะกลัวจะจังไม่ได้แล้วนะมันไม่เป็นกลางไม่รู้ซื่อรู้แล้วแทรกแสงรู้ไปรู้ทันจิตตัวเองไปห้ามไม่ได้หรอกการภาวนาไม่ใช่เพื่อบังคับใจบังคับใจการภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจว่าบังคับไม่ได้นะอ้าวต่อไปใครจะเกี่ยงกันเสียเวลากราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ อยากให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะว่าที่ปฏิบัติอยู่นี่ตอนเนี้ยกดอยู่กดอยู่เหรกดรู้สึกไหมใจทื่อๆหลวงพ่อทําหน้าให้ดูเนี่ยนึกออกยังเออเลิกซะอ่ะร่างกายหลวงพ่อค่ะเนี่ยมีมัวจิตมัวๆรู้สึกไหมมัวค่ะเออนะมัวรู้ว่ามัวมัวแล้วเป็นกลางไหมไม่เป็นกลางไปดูที่ไม่เป็นกลาง สรุปง่ายๆทางการปฏิบัติรู้สภาวะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะด้วยจิตที่เป็นกลางแต่ถ้าจิตไม่เป็นกลางก็ไม่บังคับให้เป็นกลางให้รู้ทันว่ามันไม่เป็นกลางแล้วมันจะเป็นกลางของมันเองอะจับหลักให้แม่นอ่าคนนี้ไม่ต้องตรวจแบบหักโมรวดเร็วกินเวลาไปเยอะอแล้วอ้าวเมื่อวานนะคะทําสมาธินะคะนั่งสมาธิแล้วรู้สึกปวด สมาธิทำไมปวดล่ะถ้าจิตเป็นสมาธิไม่ปวดหรอกแสดงว่าไม่เป็นสมาธิใช่ไหมคะนั่งสมาธิก็คือนั่งดูจิตมันทางานจำไว้อย่างหนึ่งนั่งแล้วอยากให้ซึมซึมไม่ดีซึมเป็นชื่อของส้วมไม่ซึมนะต้องรู้สึกตัวกระปรี้กระเร่าเออต้องรู้สึกไ่้อย่างนี้อ้าวหมอหมอขอผ่านดีหมดแล้วคนอยู่วัด เนี๋ยวบางคนก็ว่ามาไกลแล้วไม่ได้นะแต่เมื่อวานหลวงพ่อโดนหลอกวันก่อนนุ้นมีคนเดียวบอกอยู่ไกลมากเลยให้ส่งกันบ้านเสร็จแล้วถามว่าอยู่ไหนบอกอยู่บางประกงเมื่อวานนี้มีอยู่ชาเชิงเซาไม่ใช่บางประกงนะแต่ชาเชิงเสานะแล้วก็กรุงเทพไกลแล้วมากแล้วกรุงเทพเอ้าวใครอยู่ไกลวัดหลวงพ่อเกินสามร้อยโลอยู่ไหนอยู่ไหน ราดบุรีเออใช้ได้อ้อาวาชบุรีนะแล้วเบอร์สิบห้าคนนี้ไกลแน่เลยกราบนมัสการหลวงพ่อครับผมมาครั้งแรกครับ อ, อ, อยากจะขอเรียนคำแนะนำให้หลวงพ่ อ, อ, อผมติดเพ่งอะครับผมเพ่งใช่ทำไมเราเพ่งรู้ไหมเราอยากปฏิบัติเราอยากดีเราอยากได้มรรคผลนิพพานถ้าเรารู้ทันใจที่มีความอยากนะอยากปฏิบัติเนี่ย ความอยากเกิดขึ้นยมรู้ไปเลยแล้วมันจะไม่เพ่งหรอกก่อนเพ่งน่็ต้องอยากก่อนอยากขอขอคําแนะนําหลวงพ่อครับผมแนวทางคน ค, คนซึ่งติดสมาธิมาเนี่ยนะกรรมาฐานอันแรกที่ควรทําเนี่ยคือการดูกายอย่าเพิ่งไปดูจิตมันจะไปเพ่งของคุณนะลืมเรื่องการปฏิบัติไปก่อนร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะเห็นจิตได้ชัดเองอย่าตอนนี้จิตไปคิดแล้วทราบไหม จิตมันนี้ไปคิดทราบไหมครับเห็นร่างกายที่ถือไมโครโฟนอยู่ไหมเห็นครับนะร่างกายที่ถือไมโครโฟนคุณเห็นได้ชัดเลยไหมรู้สึกไหมมันเป็นก้อนธาตุอันนึงเป็นวัตถุอันหนึ่งใจของเราเป็นคนดูมันนะองคุณฝึกดูกายโดยให้เห็นว่ามีใจเป็นคนดูตอนนี้ลืมดุยละเห็นไหมลืมกายไปนึกออกไหมครับนะอย่าลืมกายรู้สึกอยู่ที่กายแล้วใจอยากพูดขึ้นมาก็รู้ทันว่าใจอยากพูด นะคอยรู้สึกกายเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันจะเห็นจิตได้ชัดตอนนี้จิตแอบไปคิดอีกแล้วสังเกตไหมตอนจิตแอบไปคิดนี่มันลืมร่างกายงั้นเราคอยรู้สึกร่างกายบ่อยๆเยแต่ตอนนี้จิตหนีไปคิดอีกแล้วเห็น ไ, ไหมมันลืมร่างกายเมื่อไหรลืมร่างกายนะแสดงว่าหลงไปแล้วนะรู้สึกกายบ่อยๆนะะคุณจะเห็นจิตได้ชัด <Okay. S 1> แล้วก็อย่าไปอยากปฏิบัติอย่าไปรีบร้อนปฏิบัติ หางานที่ใช้ร่างกายเนี่ยทำไนไปกวาดบ้านบ้างก็ได้ไปลดต้นไม้ไปทําอะไรนะแล้วเห็นร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวเห็นร่างกายทํางานเราเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวเราเป็นคนดูเหมือนดูคนอื่นเคลื่อนไหวค่อยๆไปดูร่างกายของตนเองเหมือนมันเป็นคนอื่นนะเห็นมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนเหมือนเราเห็นคนอื่นยืนเดินนั่งนอนฝึกตรงนี้บ่อยๆก่อนนะครับครับขอบพระคุณอ้าวคุณฝรั่งคนนี้มาไกลแน่เลยเชื่อ เขาเขียนมาให้แล้วอ่านเลยนะคะเอาเลยเขาเป็นคนใหม่สำหรับวิธีการปฏิบัติของหลวงพ่อแต่ว่า เ, เขาได้รับการฝึกมาให้ดูสังเกตความตั้งใจหมายถึงว่าความจงใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<ด>จะถามว่ามันมันมันเป็นวิธีที่ดีที่จะทาให้เกิดสติสติอัตโนมัติสำหรับเขาไหมใช่ความจงใจเนี่ยจริงๆเกิดจากโลภะนะมีความอยากก่อนอยากปฏิบัตินั้นก็เลยจงใจมนะ ถ้าเรารู้ทันใจที่อยากนะมันก็ไม่ได้จงใจงั้นเราจะเห็นเลยเดี๋ยวมันก็จงใจเดี๋ยวมันก็ไม่จงใจจงใจเนี่ยมันเคยชินที่จะอยากเคยชินที่จะจงใจมันก็จะจงใจบ่อยๆห้ามมันไม่ได้หรอกแค่ว่าจิตขณะนี้จงใจขณะนี้ไม่ได้จงใจเห็นแค่ว่าความจงใจเกาไม่เที่ยงนะดูอย่างนี้บ่อยๆจิตแอบไปคิดแล้วตอนเนี้เวลาเราจงใจปฏิบัตินะเราจะเพ่ง รงของเขาจะติดเพง่งติดเพ่งแล้วมันจะนิ่งๆนิ่งๆจะนิ่งๆทั้งวันนิ่งๆนิ่งๆไม่ดีนะต้องเลิกซะอย่าไปเพ่งไว้เพ่งไว้ไม่ดีเอาอีกคนหนึ่งอ่ะเนี่ยถ้าทางต่างประเทศเหมือนกันมีปัญหาอะไรไหมรู้จ่ะไม่มีนะเอาต่อไป มีไม้หมดแล้วนะคนที่อยู่ไกลๆเอาต่อไปนี้ไม่เลือกละเบอร์หกสิบสี่เอาย่อๆนะไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนไม่ได้ถามกาเปลียนขอโอกาสพาอาจารย์นะคะปัจจุบันลูกดูเห็นว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็จิตเป็นผู้ดูค่ะ แล้วก็จะเกิดสภาวะนี้แม้ในเวลาร่างกายเนี่ยเกิดความทุกข์ค่ะดีแล้วก็เวลาเกิดโทสะขึ้นก็เห็นหตัวนี้ค่ะแต่จะเห็นละเอียดลงไปคือว่าเวลาเกิดโทสะเนี่ยมันจะเกิดจากการหงุดหงิดไม่พอใจก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นเป็นลันดับไปจนถึงควรความโกรธขึ้นแต่ช่วงเวลาเราจะเห็นเหมือนกับมันเป็นภาพชา้าแต่เวลาทางโลกเนี่ยจะ ชั่วว็บเดียวเองอค่ะจริงๆก่อนที่มันจะขัดใจขึ้นมานะมันกระทบอารมณ์ก่อนแล้วก็มีการตีความมีการให้ค่าอารมณ์แล้วโทสะนี้ก็เกิดขัดใจขึ้นมาก่อนนะแล้วรู้ไม่ทันยอดแรงขึ้นแรงขึ้นถูกแล้วละ่ะแต่ว่าจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมไม่เหมือนตอนนี้ตื่นเต้นค่ะออตอนนี้กดไว้นะดูออกใช่ไ่ะของคุณระวังอันหนึ่งตรงที่ไปดูดูชกายดูจิตอยู่เนี่ย อย่าประคองตัวรู้ไว้นะอย่าไปรักษาตัวรู้เอาไว้ตลอดเวลามีก็มีหายไปก็หายไปไม่ว่าะนะอย่ารักษามันนะไปฝึกตัวนี้แหละเรารู้สบายสบา ย, บายถ้ารักษาตัวรู้จะประคองก็แต่ติดตัวรู้อยู่เบอร์เก้าสิบ ก, การนำมัสการหลวงพ่อค่ะหลวส่งกันป้าเมื่อสี่เดือนที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ขยันดูไปเรื่อยๆแต่อย่ารีบร้อนช่วง สักเดือนสองเดือนที่ถัดไปก็ดูสบายๆดูว่านนะช่วงเนี้ค่ะดูว่าหนูต้องไปติดอะไรอยู่แน่เลยค่ะติดนิ่งๆติดนิ่งอเนี่ยมันไปกดจิตไว้นิด น, นึงแั้วก็นิ่งๆอยู่อย่าไปบังคับมันอย่าไปรอดูนะตอนเนี้ยมันอยู่ปัญหาเกิดจากการไปรอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมันเลยกลายเป็นนิ่งๆไป ให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาอย่าไปรอดูมันหนูหมกมุ่นกับการปฏิบัติมากเกินไปหรือเปล่าใช่หมกมุ่นมากก็เลยไปรอดูว่าเมื่อไรจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาในจิต mm hmm. ใช่ไหมพอรอดูมันก็เลยนิ่งว่างๆอยู่งั้นอย่าไปรอดูหลักของการดูจิตเนี่ยนะเริ่มต้นเลยอย่าไปดักดูให้สภาวะเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอาอันที่สองระหว่างที่รู้นะยอย่าถลําลงไปรู้ เวลาเราอยากรู้ให้ชัดนี่จะถล่าลงไปจ้องอย่างนี้ไม่ดีต้องดูห่างๆนะกดข้อที่สามก็คือพอดูแล้วเป็นกลางอย่าเข้าไปแทรกแซงมันมันยินดีให้รู้ทันมันยินร้ายให้รู้ทันดูด้วยความเป็นกลางนั้นตอนนี้ก็ต้องเลิกเพ่งไว้เลิกจ้องเลิกรอดูนะแล้วก็อย่าอยากรู้ให้ชัดรู้สบายๆรู้บ้างไม่รู้บ้างชัดบ้างไม่ชัดบ้างแต่ดูสม่าเสมอ ร้อยห้าบแปดอพระคุณค่ะอยู่ข้างหลังใครง่วงนอนบ้างยกมือหน่อยมีผู้ร้ายปักแข็งหลายรายอ้าวเชิญห่างวัดไปนานค่ะหลวงพ่อก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยตั้งมั่นนะคะต้องเอาอย่างหลวงพ่อนะหลวงพ่ออยู่กรุงเทพครูบาอาจารย์หลวงพ่ออยู่อีสานหรือบางทีอยู่เชียงใหม่เงี้ยหลวงพ่อไม่เคยรู้สึกห่างกับท่านเลย ใจเราภาวนาทุกวันทุกวันนะเราอยู่กับธรรมะเค้าเคลียอย่าไปเพลิน อ, อยู่กับโลกก็แค่นั้นเองมันก็เหมือนเราอยู่กับครูบาอาจารย์ตลอดเวลาแหละน้องไงหลวงพ่อมีอะไรชี้แน่ไหมครับนี่ไงชี้แน่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> อย่าไป <c oughs> าคิดว่าระยะทางทางภูมิศาสตร์เนี่ยมีความสำคัญอะไร <c oughs> ถ้าใจเราคิดถึงธรรมะอยู่ใจเราภาวนาอยู่ล้วก็เหมือนอยู่กับครูบ า, าอาจารย์นั่นแหละ งั้นใ จ, ใจเราอยู่กับครูบาอาจารย์เราก็ไม่ได้อยู่ห่างไกละเราก็นึกสี่ครูบาอาจารย์สอนให้เราทําอะไรเราก็ทําอย่างนั้นครูบาอาจารย์บอกเราอย่าทําอะไรเราก็อย่าทำมันนั้นเหมือนเราอยู่กับครูบาอาจารย์ตลอดแหลนะภาวนาไม่มีปัญหาหรอกแ ล, แล้วที่หนูเห็นอยู่ตอนนี้ที่ดูอยู่ตอนเนี้ค่ะดูอยู่ตอนนี้ก็ใช่ได้นะแต่ใจเนี้ยมันอ่อนแอไปนิดนึงก้าวสิบห้านะดูออกไหมมันอ่อนแอไปไหนอ้าวเก้าสิบห้า ก็ไม่ส่งกันบ้านมาหลายเดือนแล้วครับคือที่ปฏิบัติอยู่ก็คือว่าพยายา ม, มตามรู้ใครช่วยปิดหมอลำก่นอนว่าครับ <ค erman. S 2> ก็ตามรู้จิตใจไปเรื่อยครับ<อ>ส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยตั้งมัน่นเร้ก็รู้ทันนะรู้อย่างเป็นกลางเดี<บ>๋ยว<ะ>นี้เป็นกลางขึ้นหรือยังก็ถ้าเทียบกับแต่ก่อนก็คิด ว, ว่าเป็นกลางมากขึ้นเลยแตรู้ตรง น, นี้แหละ สภาวะต่างๆเนี่ยคุณสามารถเห็นได้เยอะแยะแล้วต่อไป น, นี้ก็คือเมื่อเห็นสภาวะแล้วจิตเป็นกลางไหมถ้าไม่เป็นกลางแค่รู้นะอย่าไปสั่งให้เป็นกลางฝึกตัวนี้ให้เยอะ ร, ร, ร้อยหกกลับนมัส ก, การหลวงพ่อครับผมมาเป็นครั้งแรกครับผมรู้สึกว่าตอนนี้มันตื่นเต้นมากจิตออติ ด, ต, ต, ดตรงนี้ครับดีแล้วก็เรื่องความกลัวดียครับรู้สึกช่วงนี้ออกมาเยอะมาก กลัวอะไรคะหรือกลัวไปหมดครับครับบางเรื่องก็ไม่ไม่มีเหตุผลให้รู้ทันไปนะจริงๆเรากลัวทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเรารักตัวเองครับ <c oughs> เรากลัวรักเง่าของมันก็คือรักตัวเอง <c oughs> แล้วเราคอยรู้ทันใจของเราได้ๆกลัวขึ้นมาสังเกตไม่อะไรมันกลัวร่า <c oughs> งกายมันกลัวหรือใจมันกลัวดูสิใจครับ <c oughs> ใจมันกลัวนะ <c oughs> ลองดูไปจิตของเราเป็นคนผู้รู้ผู้ดูนะความกลัวก็ไม่ใช่ใจเรานะ ความกลัวเป็นความรู้สึกที่แปลกปลอมเข้ามาในใจคอยดูอย่างนี้นะความกลัวก็ไม่ใช่ใจนะใจก็ไม่ได้กลัวร่างกายก็ไม่ได้กลัวความกลัวเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งแปลกปลอมเข้ามาในใจไปดูตัวนี้บ่อยๆหน่อยเเลิกกลัวไปเองเรจะเห็นเลยความกลัวเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านไม่เกี่ยวกับเราแล้วใจเราเป็นกลางใช่ไหมเป็นอิสระจากความกลัวอย่าไปกังวลใจกังวลให้รู้ว่ากังวลนะ ให้รู้ทันอย่าเพ่งให้นิ่งตอนนี้เพง่งอย่าเพ่งนะยิ่งเพง่งยิ่งเคร่งเครียดยิ่งเคร่งครียดยิ่งกลัวง่ายทาใจให้สบายไว้คิดดูตายก็ตายนะอย่างมากชีวิตนี้ก็แค่ตายใครคิดไปชีวิตเรายัางไงจะกลัวหรือจะไม่กลัววันหนึ่งก็ต้องตา ย, ยไม่ไปกลัวมันเลยเสียเวลาใครรู้สภาวะทั้งหลายอย่างตอนนี้ใจเข้มแข็งขึ้นดูออกไหมใจเข้มแข็งใจมีเรี่ยวมีแรงขึ้นแล้วก็รู้ทันว่าใจเข้มแข็งไป <น>มีบ้างครับ อ, อ, อย่าให้ใจมันความกลัวมันมาย้อมใจเราให้รู้ทันมันให้ใจเข้มแข็งไว้แบบนี้เบอร์79 79อยู่ข้างหลังข้างหลังส่งไปด้านหลังนะยกมือหน่อยเบอร์79ตื่นเต้นดูออกไหมเบอร์79ตื่นเต้นก็รู้นะว่าตื่นเต้นการมุาลพระอาจารย์ครับเออครั้นี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับเออผมเคยฝึกปฏิบัติมาหลายที่จนล่าสุด ไปฝึกสติปัฏฐานสี่มาหลังจากนั้นเคยเคยประสบ อ, ะอาการที่ว่าเหมือนรอบด้านเราเรารู้สึกว่าเขารอบข้าไม่มีตัวตนสําหรับเราเล ย, ย น, นะพอหลังจากนั้นก็ฝึกมาเรื่อยทุกวันนี้ก็ตามรู้โดยการจเจริญปัญญาสิบสมมุติถ้าคิดฟุ้งซ่าหรือเรื่องอะไรที่ทเราโกรธเราจะกลับมาพิจารณาลมหายใจตลอดอืทีนี้พอเราพอเรารู้ลมหายใจไปนานๆเนี่ยฮะมันจะเกิดอาการชาที่จมูกอืมผมอยากทราบอาการนี้มันนึยังติดขับอาการสมรติอยู่เป็นสมรตินะนะ ถ้าวิปัสสนาะจะไม่มีอะไรที่ผิดธรรมชาติธรรมดามถ้าอะไรที่เกินธรรมชาติธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอาการของสมถะ<ม>เพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้สภาวะนะจิตใจเราขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวแค่รู้ไม่ต้องวกกลับมาที่ลมหายใจของคุณไม่ว่าไปรู้อะไรมันจะหนีกลับบ้านอยู่เรื่อยจะหนีเข้ามาหาลมนะจะกลายเป็นสมระถะน<ม>ั้นอย่าไปบังคับใจตัวเองให้มันนิ่งอยู่ตลอดเวลา ใจไหลไปแล้วรู้ใจไหลไปแล้วรู้ดีกว่าบังคับใจให้นิ่งเนีย่ยตอนนี้ใจไหลไปคิดทราบไหมครับ <c oughs> ใจไหลไปคิดแต่ของคุณมันติดตรึงความรู้สึกเอาไว้อันหนึงน่งนนิง่งนิ่งไปปล่อยซะตอนอยู่ข้างนอกเป็นอย่างนี้ไหมหรือเป็นตอนจับใหม่มกเเ็เป็นแต่ว่าก็พยายามตามรู้ไปเรื่อยๆที่ว่าจะไม่จะไม่กาหนดนะยังเวลาฟังธรรมะหรืออ่านหนังสือเนี่ยพออ่านไปนาน เราก็ไม่คิดว่าเราเพ่งนะแต่มันจะรู้สึกมันเบอร์เบอร์แล้วมันชาชาไปใช่นะแค่ไปเพ่งเราน้อมใจของเราเข้าไปเองอะ่ะเป็นน้อมใจให้เลือนเลือเบเลอนนะด้วยความเคยชินเพราะเราคิดว่าการภาวนาเนี้ยต้องทําจิตให้สงบเราพยายามน้อมให้มันสงบอยู่จนมันชินที่จะเป็นอย่างนั้นเราเปลี่ยนนะเราเปลี่ยนลดการทําสมาธิลงออกมากระทบอารมณ์แล้วปล่อยให้ใจเรากระเทือนเหมือนคนธรรมดานะผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ปฏิบัติเนี้ยต่างกันนิดเดียว คือคนที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยใจจะแหว่งขึ้นแกว่งลงตลอดเวลานะแต่ผู้ปฏิบัติที่ดีนะปล่อยให้ใจแหว่งขึ้นแกว่งลงไปตามธรรมชาติแต่มีสติตามรู้ไปต่างกับรตรัวที่มีสติตามรู้เท่านหนึนะ่งผู้ปฏิบัติที่ไม่ดีเนี่ยจะไปบังคับจิตไม่ให้แกว่งขึ้นแหว่งลงนะแเราจะไปบังคับมันให้มันแกว่งไปแล้วเราตามดูไปเราต้องการเห็นไตรลักษณ์เนี่ยตอนนี้จิตไปคิดทราบไหมครับผมออคุณสังเกตไหมถึงรู้ว่ามันไปคิดนะตัวนิ่งนี่ก็ยังอยู่ รู้สึกไหมในนี้มีตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งรูครับตัวเนี้เป็นเรื่อลิกซะตัวนี้แหละที่หวางวิปัสส น, นาอยู่ตัวนิ่งเนี้ยมันเที่ยงมันก็เราไปยึดอะไรใช่ใช่ใช่เรากลัวจะหลงเราก็เกาะแน่นเลยไม่ยอมปล่อยถ้าเราไม่ปล่อยนะเราจะเดินวิปัสส น, นาไม่ได้ไ <varit S 1> ม่คล้ายๆเราจะข้ามสะพานแต่เรากลัวตกน้ําเราเลยเกาะราวสะพานไว้ไม่ปล่อยถ้าเราเกาะราวสะพานโดยไม่ปล่อยมือเลยนะเราข้ามสะพานไม่ได้นึกออกไหม ไปไหนไม่ได้อย่างหลวงพ่อเกาะ อ, อ, อ, อะไรเท้าแขนนันเนี้ยหลวงพ่อเดินไปไหนไม่ได้แล้วมันก็ติดอยู่ตรงเนี้ยงั้นจิตนี่เหมือนกันอย่าให้มันติดนิ่งตัวนี้อยู่พยายามปล่อยมันทิ้งไปอย่าหวงทิ้งไปเลยอืมาถึงว่าถ้าถ้าเกิดเราเกิดอารมณ์อะไรเงี้ยเราจะกลับมาจับลมหายใจได้เหมือนเดิมไม่ดีไม่ดีไม่ดีเลยเพราะอย่างนี้แหละมันกลับมาติดนิ่งอืแล้วถ้าเปลี่ยนวิธีใ ช, ใช้หลักของพระพุทธเจ้าให้ดีนะที่คุณบอกคุณทําสติปัฏฐานคุณไม่ได้ทําสติปัฏฐานหรอก คุณทําสมถกรรมฐานถ้าคุณทําสติปัฏฐานนะเช่นจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะถ้าไม่ได้บอกนะว่าจิตมีราคะไม่ดีห้ามมีราคะถ้าไม่ได้บอกว่าจิตมีราคะแล้วให้รีบทิ้งไปแล้วมารู้ลมหายใจจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะถ้าไม่ได้บอกว่าห้ามมีโทสะถ้าไม่ได้บอกว่ามีโทสะแล้วให้ทิ้งโทสะไปแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจนะท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นดอกเพราะงั้นที่เราทํามันไม่ใช่สติปัฏฐานแท้หรอก มันเป็นสมถะต้องปล่อยนะจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะเห็นว่าจิตมีราคะนะไม่ใช่เรามีราคะต้องเห็นอย่างนี้นะจิตมีโทสะก็เห็นจิตมันมีโทสะไปไม่ใช่เรามีโทสนะจิตมันหลงไปคิดรว่าจิตมันไปคิดไม่ใช่เราคิดนะคอยรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆครับเมื่อเจ็ดสิบหกดีนะคนนี้ที่ถามดีละไม่งั้นลาบากเลยติดนานอ้าวว่าไปสักการค่ะ ขอาการหลวงพ่อผ่าตัวสภาวะหน่อยค่ะแล้วเราอย่าน้ําใจเราให้เป็นอย่างนี้สิใจเราเหมือนตอนนี้ทั้งวันเปล่า <c oughs> มันผิดธรรมชาติรู้สึกไหมค่ะ <c oughs> เออผิดธรรมชาติก็ให้รู้นะขี้โมโหไหมขี้โมโหนั่นแหละมีบุญขี้โมโห <c oughs> โมโหมันดูง่ายที่สุดเลยในกิเลส ท, ทั้งหลายะเราไปนี้ไม่ต้องไปเก็บกดมันแต่ถือศีลไว้ก่อนโมโหเราไม่ด่าใครโมโหเราไม่ตีใครโมโหเราไม่ขี้บน่นแต่โมโหแล้วคอยดูใจของตัวเองที่มันดิ้นไปดินมา ฝึกอยู่อย่างนี้นะคนเนี้โง่เฮงให้เลยว่าชี้โมโหดูง่ายไม่ยากหรอกพวกปัญญากล้านะพวกโทสะกับปัญญาเนี่ยตระกูลเดียวกันเลยเบอร้อยยี่สิบเจ็ดกราบนมาสการ์ค่ะขอโอกาสครูบาอาจารย์ค่ะคือว่าหนูเพิ่งมาครั้งแรกอะค่ะหลวงพ่อแล้วก็มีเรื่องอยากแบบคือ คือว่าสงสัยเยอะอะค่ะ<ม>คือไม่ทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยเคยเคยฟังของอาจารย์สุจินมา ม, มาบ้างนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าบางทีเนี่ยการรู้เนี่ยคือการรู้ก่อนที่จะเกิดคำบัญญัติขึ้นหรือเปล่าคะ<ม>หรือว่าแบบบางทีหนูก็ไม่รู้ว่าหนูรู้จริงหรือเปล่าคือเวล า, า, าตามองเห็นเนี่ยนะถ้าเราจงใจมีสติกาหนดที่ตาบ้างกาหนดที่รูปบ้างกาหนดที่ผัสสะทางตาบ้างกาหนดที่จักขูวิญญาณจิตบ้างจิตก็จะนิ่ง ตรงนี้คือการแทรกแซงวิถีจิตนะวิถีมันก็จบลงที่ตาใช่จบลงที่ตาไม่ใช่เพราะว่ามันจบของมันเองแต่จบเพราะว่าเราจงใจไปประคองไปคอยรู้อยู่ที่ตามันก็เลยหายไปตรงนี้คือการแทรกแซงวิถีของจิตการปฏิบัติเราจะไม่แทรกแซงนะถ้ารูปที่มองเห็นไม่มีคุณค่าอะไรมันก็จบลงที่ตาคือใจไม่ปรุงต่อ ถ้ารูปนั้นมีความมีความสําคัญนะจิตใจสนใจขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจเกิดการทํางานที่ใจแล้วก็รู้การทํางานที่ใจต่อเราอย่าไปแทรกแซงให้นิ่งของคุณติดสมถะด้วยการไปกําหนดอยู่นะเจ้าค่ะแล้วอย่างหนูนี้ต้องภาวนา ย, ยัางไงคะเจ้าค่ะของคุณเป็นพวกปัญญากล้านะคุณอย่า ก, กําหนดให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติพอกระทบแล้วเนี่ยเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่ว มีสติตามดูไปคือดูอารมณ์ใช่ไหมเจ้าค่ะดูอารมณ์อย่าไปกําหนดอยู่ถ้าจงใจกําหนดอยู่ที่ตาก็นิ่งอยู่อย่างนี้คือตอนนี้หนูคือกําหนดใช่ไหมคะเจ้าค่ะใช่ใช่เลยค่ะเนี่ยมีคนในวัดคนนะมันไม่ใช่เลยไม่เป็นบอกใช่แล้วพวกโทสะจริตเหรอคะหลวงพ่อเออโทสะอดีตดูง่ายหลวงพ่อก็โทสะจริตใช่ไหมพูดเสียงดังใช่ไหมคือต่อไปถ้าหนูดูอารมณ์แล้วเนี่ยหนูควรจะดู หลังจากที่ว่าเรายินดีหรือไม่ยินดีอะไรอย่างนี้เลยว่าเจ้าค่ะคือดูความรู้สึกไปนะดูสองงนนะอันหนึ่งมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็รู้ข้อสองถ้ามีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นแล้วจิตดีจิ ต, จตร้ายให้รู้ทันค่ะแล้วนั่งสมาธิจาเป็นไหมเจ้าคา่ะยังไม่ต้องนั่งหรอกนะตอนนี้นั่งก็ไม่ลงหรอกขอบคุณรัเจ้าวควา่ะเบอร์ร้อยแปดสิบ นมสการหลวงพ่อครับผมมามาครั้งแรกหลวงพ่อครับก็ฟังสิดีหลวงพ่อประมาณได้ประมาณสักสักไม่นานนะก็สติเกิดขึ้นเองนะครับแล้วก็ตามรู้กายรู้ใจมาเป็นระยะระยะก็บางทีไปฝันเขาก็ไปไปรู้กระทั่งในฝันนะครับแล้วก็พิกพลิกตัวก็รู้ครับนั่นแหละคราวนี้พอรู้เสร็จมันก็จะมีสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นก็คือเห็นจิตมันมันตั้งเด่นดวงขึ้นนะครับแล้วก็มีปิติมีความสุขเออ พอมีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จําสภาวะตรงนั้นไว้เอคราวนี้ก็ยิ่งไปเพ่งใส่เลยครับผิดตรงนี้แหละครับพอไปเพ่งครั้งที่ครั้งแรกก็ยังไม่จำครับครั้งที่สองเกิดขึ้นอีกก็มาเพ่งอีกจนวันนี้รู้สึกเครียดมากนั่นแหละนะต้องเลิกซะผิดตรงนี้แหละครับที่ฝึกมาแต่เริ่มมันถูกนี้พอเราจําสภาวะได้แล้วเราเลยไปดักดูมันครับไปเฝ้าไว้เฝ้าไว้กลัวจิตจะไหลไปกลัวจะไม่รู้ต้องปล่อยซะหลงหลงบ้างครับนะ ใจถึงถนะภาวนาต้องใจถึงใจถึงคือปล่อยให้มันลงบ้างครับถ้าประคองตัวรู้ไว้ตลอดนะของคุณประคองไว้จนเครียดเลยเหนื่อยครัเนี่ยตอนนี้บังคับอยู่ทราบไหมไม่คือการเพ่งนะครับลืมเรื่องปฏิบัติก่อนครับนะลืมเรื่องปฏิบัติแล้วไปหากิจกรรมอะไรก็ได้ที่มีความสุขทํำที่เป็นกุศลนะครับเช่นเป็นลดต้นไม้ไปอะไรเงี้ยไม่ใช่อากุศลครับนะ เราก็จะได้เห็นจิตมันทํางานตามธรรมชาติคุณพื้นฐานคุณดีนะคุณพื้นฐานดีเพเียงแต่ว่าตอนนี้ไปติดเพ่งผู้รู้เท่านั้นนะเบอร์สิบสี่กลับนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะหนูเพิ่งมาครั้งแรกนะคะนนแล้วคนเก่าเก่านะ่ารักมากไม่ค่อยยกมือ <c oughs> ดีจริงจริง <c oughs> ว่างไงเออนี่หนูเพิ่งมาครั้งแรกคะ่ะแล้วคนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นหนูหนูเพิ่งปฏิบัติทำได้ไม่นานนะคะแต่การปฏิบัติของหนูเนี่ยตอนนี้หนูถือว่า ห น, หนูทําเต็มที่อะไรเต็มที่นะคือหนูปฏิบัติเต็มที่ค่ะค่ะและคนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ยทุกครั้งที่หนูนั่งสมาธินะคะอพอหนูจะนิ่งเริ่มนิ่งหน้าผากหนูจะกระตุกมากมซึ่งทําให้หนูรู้สึกต้องหยุดอะคะ่ะพอหยุดปุ๊บพอมานั่งใหม่ก็เป็นอีกซึ่งมันไม่สามารถต่อไปได้อีกอะคะ่ะก็อย่าไปนั่งมันสิสมาธิไม่ใช่ต้องนั่งอย่างเดียวนะสมาธิเนี่ยอยู่ในทุกทุกอิริยาบถ สมาธิคือความตั้งมั่นของจิตไม่ใช่การบังคับจิ ต, ตเพราะนั้นเราเดินอยู่ด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ก็เรียกว่าเรามีสมาธิอยู่เรานั่งสบายๆนี่แหละไม่ต้องหลับตาให้จิต น, นิ่งหรอกนะเห็นอารมณ์มันเคลื่อนไหวใจเราเป็นแค่คนดูสบายๆก็เรียกว่าเรามีสมาธิอยู่นั้นสมาธิของพุทธเนี่ยเป็นสมาธิที่อยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละตัวนี้สําคัญที่สุดเป็นสมาธิที่ใช้เจริญปัญญาส่วนสมาธิที่กดให้นิ่งสมาธินอกศาสนานะมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้า แต่คนไหนทําได้ก็ทําเพื่อพักผ่อนนีถ้าทําผิดแล้มันก็ไม่พักผ่อน้วมันเครียดเนี่นอย่าไปนั่งเพ่งเนาของคุณนะโดยพื้นฐานนะี่ยหลวงพ่อจะบอกให้นะวันใดที่เลิกเพ่งนะคุณจะโมโหร้ายสุดยอดเลยนิสัยของคุณที่ร้ายร้ายมันจะออกมาเต็มเลยมันจะอรารวาดอย่างดุเดือดนะเพั้นอย่าไปกดไว้นะค่อยๆปล่อยของคุณตอนเนี้มันมีสภาวะเหมือนเราไปต้มน้ําใส่กาต้มน้ําแล้วเราไปอุดรูมันให้หมดเลยมันอัดอยู่ข้างในนะ มันจะไม่สบายหรอกมันจะดันแรงขึ้นแรงขึ้นบันไดมันทนไม่ไหวมันระเบิดเปรี้ยงเลยการภาวนาเราจะไม่เก็บกดเราคอยรู้ไปจิตกรธขึ้นมาก็รู้จิตโลภ ก, ก็รู้นะมันเหมือนเราเปิดปวยกาวไว้ให้ใหอาน้ำออกไปเรื่อยๆน้ําที่ร้อนๆอย่าน้อยลงน้อยลงยังั้นอย่าไปกดให้นิ่ง<ม>เลิกซะเพราะของคุณเนี่ยแรงกดมันเริ่มจะหมดละถ้าหมดเมื่อไหร่นี่ระเบิดโป้งนี่นะหลวงพ่อสงสารคนข้างๆ 199กาบลับนมัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูฝึกภาวนามาประมาณปีหนึ่งนะคะแต่ก่อนหน้า น, นี้ก็ไม่เคยฝึกปฏิบัติสายได้เลยอะคะ่ะตอนแรกๆก็จะรู้สภาวะชัดมากพอดูไปดูไปสักพักหนึ่งก็จะรู้สึกรู้เนียนๆนะคะรู้อะไรนะรู้เนียนๆนะคะแล้วระยะหลังเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆก็เหมือนกับ จะกลับมารู้ลมหายใจอะค่ะ<ม>ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยรู้แบบว่าไม่รู้ไ ม, รไม่รู้สึกอันนั้นเขาเรียกรู้สึกตัวใช่ไหมคะก็<ม>รู้สึกตัวเพราไม่หลงนะก็เห็นร่างกายหายใจอยู่อย่างเงี้ยเรียกว่ารู้สึกตัวแต่ถ้าจิตเราไหลไปซึมอยู่กับลมหายใจไม่เรียกว่ารู้สึกตัว <c oughs> ก็จะได้แป๊บนึงอะค่ะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวก็หลงไปคิดอีกอะของคุณมันไม่สงบนานหรอกโดยพื้นฐานนะใจมันจะช่างฟุ้งค่ะงั้ไม่ต้องกลัวติดสมาธิหรอกไม่ติดง่ายหรอกค่ะแล้ว ก็คือเดี๋ยวนี้จะเห็นแบบสองเด้งอะค่ะเหมือนกับหลงใบหลงคิดแล้วเสร็จแล้วสักพักนึงก็ภากว่าอุ้ยหลงคิดอีกแล้วแล้วก็ค่อยรู้ว่านี่ก็หลงอีกเหมือนกันห้ามไม่ได้นะจิตจะภากก็ห้ามไม่ได้ดูเล่นๆไปก็ก็ดูไปอย่างนี้โอเคใช่ไหมคะโอเคขอบพระคุณค่ะเปิด์แปดกลับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูมาครั้งแรกเจ้าค่ะก็ปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อมาได้ประมาณสองเดือนนะคะ ไปกราบหลวงพ่อครั้งแรกตอนหลวงพ่อไปเทศที่เซเนลังจากนั้นก็เริ่มฟังซีดีแล้วก็ปฏิบัติมาก็เท่าที่ส่งกันบ้านครั้งแรกก็คือรู้สึกว่าเพิ่งรู้สึกตัวค่ะว่ากิเลสตัวเองมันทั้งวันเลยหาช่วงที่มันหลุดออกจากกิเลสแน่น้อยแบบเปอร์เซ็นต์น้อยมากมากเก่งนะถ้าเราพอหนาดีเนี่ยเราจะเห็นเลยกิเลสเกิดทั้งวันคือรู้สึกว่าตัวเองหลุดออกจากควงกิเลสมันน้อยน้อยมากเยอะไปว่ามันนะแต่เดิมมันอยู่กับกิเลสยี่บสี่ชั่วโมง ตอนนี้เริ่มหลุดออกมาบ้างแล้วเราภาวนาไม่ใช่เพื่อให้หลุดออกมาหรอกแต่ว่าจิตมีกิเลสก็รู้ทันเราจะดูภาวนาเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างนนั้เป็นของชั่วคราวจิตโกรธก็ชั่ ว, รวคราวจิตโลภ ก, ก็ชั่วคราวจิตหลง ก, ก็ชั่วคราวะหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าห้ามโลภห้ามโกรธห้ามหามลงนะดูไปทุกอย่างเป็นของชั่วคราวการที่คุณเห็นกิเลสเกิดถี่ยิบเลยคุณเห็นไหมทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเห็นบ้างไม่เห็นบนะ้างดูไปเรื่อยๆนะมันจะเห็นแต่ทุกอย่างเป็นของชั่วคราวดูไปงั้น อยากให้หลวงพ่อแนะนําวิธีปฏิบัติที่เหมาะกับหนูเพื่อให้การปฏิบัติตไม่เนิร์ด <ไป S 1> ชา้าดูจิตไปนั่นแหละดูจิตไปหนูต้องใช้ใปัญญานําปะคะใช้ปัญญาแต่อย่าคิดนะปัญญาไม่ใช่ความคิดนะค่ะ อ, อ, อยากจะถามหลวงพ่อว่าสมมติเวลาหนูทําบุญแล้วก็อธิษฐานว่าเพื่อให้เป็นไปสู่นิพพานหนูไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นความอยากคืออธิษฐานอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไดไม่เป็นไรอธิษฐานไปก่อนแล้ววันหนึ่งก็พบว่าไม่มีประโยชน์แล้ว อธิษฐานให้มีกําลังใจนะ <S <S เพราะมันไม่ได้ไปด้วยการขอหรอกนะ อ, อ๋อห น, น, น, นูคิดเอาเองว่าแรงบุญแต่<อ>แตว่า<อ> <S <S แต่ว่ามันเป็นการย้ําเตือนให้เรารู้เป้าหมายในชีวิตของเรามันมีประโยชน์ตรงนี้เตือนตัวเองไปเรื่อยเหมือนพระโพธิสัตว์นะ่ะทําบุญอะไรก็ขอให้เป็นปัจจัยไปสู่พระนิพพานท่านเตือนตัวเองตลอดเวลาเลยทำความดีตลอดก็เตือนตัวเองตลอดนะว่าท่านจะต้องเอาพระโพธิญาณต้องเป็นพระพุทธเจ้า เตือนตัวเองบ่อยๆจะได้ไม่หลงไปทางอื่นเอาคุณทําบุญแล้วก็เตือนตัวเองไปทําบุญแล้วก็อธิษฐานขอให้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานนะเนี่ยเตือนตัวเองอย่างนี้เรื่อยๆมีประโยชน์นะแต่ไม่ได้เป็นเพราะาการเตือนอย่างนี้หรอกที่ปฏิบัติมาเป็นยังไงบ้างคะที่หลว<ะ>ง่อยไม่ได้เบอรยี่สิบขอบคุณค่ะเบอยี่สิบเชิญอยู่ข้างหลังเบอยี่สิบผมมาครั้งแรกเหมือนกันครับจริงๆมาครั้งหนึ่งแล้วเข้าวัดไม่ได้ครับ นะทไมล่ะมาวันที่วัดก็ปิดละสิครับได้ฟังธรรมของหลวงพ่อมาประมาณปีหนึ่งแล้วครับแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกจะไม่ค่อยรู้สึกว่าหย่อนยานแล้วก็ได้แต่ตามดูกิเลสที่เกิดในแต่ละวันนะครับเช่นเวลาเกิดราักฆ่หรือโทสะโมหะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูไปนะดูกิเลสที่ผ่านเข้ามาในใจเราเหมือนเห็นคนเดินผ่านหน้าบ้า น, นอย่าไปยุ่งกับมัน อย่าไปว่ามันแล้วก็อย่าไปชวนมันเข้าบ้านอย่าให้มันครอบงําจิตได้แค่รู้เมื่อกิเลสเกิดขึ้นรู้ว่ากิเลสผ่านไปรู้ด้วยใจเป็นกลางฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะครับตอไปเบอร์ยี่สิบสี่การนมัสการค่ะหลวงพอ่อไม่ได้มาส่งกันบ้านครึ่งปีแล้วอะค่ะอ mm hmm. อยากจะขอความเมตตาหลวงพอ่อ่ะค่ะอ่าช่วย อ่าดูให้ได้ไหมคะว่าอยู่ในร่องในรอยหรือเปล่าอยู่นะจิตมันหงุดหงิดตัวเองใช่เราก็รู้ทันนะเห็นไหมไม่ได้หงุดหงิดคนอื่นเลยหงุดหงิดตัวเองแต่รู้โลกปัจจุบันเองกันแล้วดูเหมือนบางครั้งเหมือนเหมือนเหมือนสำหรับหนูแล้วโลกมันเปลี่ยนไปนะครัหลวงพ่อมันเปลี่ยนแน่นอนนะแต่มันไม่เปลี่ยนตามใจเราหรอกนะเราค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปสบายๆอย่าไปโมโหตัวเองสิไม่ได้ดังใจ ไปฝึกเอานะ<ม>เบอร์เบอร์แปดสิบสามเชิญกรารนมัสการนะคะ เ, เพิ่งเไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องไหมนะคะถูกสิไปดูอันหนึ่งนะเวลาใจเราฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านนะอย่าไปบังคับให้มันนิ่งไปดูบ่อยๆกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ไปรู้ซื่อๆนะอย่าไปแทรกแซงรู้บ่อยๆ เบอร์สิบสองก็กลับมาเทการหลวงพ่อค่ะก็ครั้งนี้มาครั้งแรกค่ะก่อนหน้านี้ก็คือฟังซีดีของหลวงพ่อมาก่อนนะคะหลังจากที่ฟังซีดีไปนี้ก็เห็นไหมจิตเราเปลี่ยนไปเห็นค่ะนะจิตเราเปลี่ยนไปแล้วหางเพิ่งมาครั้งแรกเลยอ้างว่าไปก่อนเราก็รีบบรรยายซะแล้วหัวไม่ทันอันี้หลวงพ่อพูดแทนกันแล้วกันที่ภาวนาอยู่เนี่ยใช้ได้แล้วนะ เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วรู้สึกไหมโลกนี้มันห่างๆออกไปนะนั่นแหละดูไปนะความทุกข์มันจะห่างเราออกไปเรื่อยๆใจเราเป็นกลางดูด้วยความเป็นกลางให้กันบ้านแล้วนะต่อไปนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายในใจก็แค่รู้รู้ด้วยความเป็นกลางจำได้ไหมจำได้จะไปทำต่อฝึกมาได้ดีเชียวล่ะขนาดไม่เคยเจอหลวงพ่อเบอร์ร้อยแปด นมัส ก, การครับดีผมมีสองคำถามครับก็ที่ผ่านมาคราวที่แล้วเดือนกว่าผมได้มากราพอาจารย์ครับอาจารย์ก็แนะนำว่าให้ทำต่อไปเนี่ยครับก็เลยไม่ทราว่าปัจจุบันทำถูกต้องไหมครับใจมันเบาเวทํายัางไงครับใจมันโล่งๆลอยๆมากไปนะครับกลับมารู้สึกตัวให้ชัดๆขึ้นหน่อยให้กระชับกระเฉงขึ้นนิดนึง ทำยังไงให้มันกระจับกระเจงกครับอาจารย์กระดุกระดิกเลยนะเคลื่อนไหวไหมเดินจงกลมไปถ้าเห็นร่างกายมันเดินครับจะอาบน้ําก็เห็นร่างกายมันอาบน้ํำจะกินข้าวเห็นร่างกายมันกินข้าวใจเราเป็นคนดูอย่างนี้บ่อยๆนะครับนะไปฝึกเอาอีกคําถามครับอาจารย์ที่ที่พระอาจานบอกว่าเราจะละได้ก็หนอเมื่อเราเห็นทุกเห็นโทษมันนะครับใช่โทษที่เห็นนี่คืออะไรครับอาจารย์ก็เห็นทุกนั่นแหละนะตอนนั้นหลวงปู่เทศบอกพงเชษนะบอกคุณต้องเห็นโทษ คงเช่นไปเล่าให้หลวงปู่ดูลฟังหลวงปู่ดูลท่านก็แปลให้เห็นโทษก็คือเห็นทุกข์นั่นแหละนะเห็นในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเราเนี่ยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นไปแต่ยตอนนี้ยังไม่เห็นที่จะไปคิดมันอยู่กับปัจจุบันรู้กาย ร, รู้ใจลงปัจจุบันไปของคุณที่ฝึกอยู่ดีนะแต่อย่าให้มันเลื่อนลอยไปพยายาัมรู้สึกกายให้กระชับกระเฉงขึ้นเพราะฉะนั้น ใ, ใจมันกระจ่ายกว้างๆกว้างๆกว้างๆไป อาจารย์ครับยังเวลาผมรู้ว่าผมผมเบาๆเนี่ยครับเนี่ยเตัวที่ติดอยู่อะครับอย่าติดเบาตัวนี้ผมผมก็พอรู้สึกตัวมันเหมือนมันมันมันไปจับอย่างเงี้ยครับเนี่ยกลับมารู้สึกปลุกปลุกตัวเองครับเนี่ยเหมือนเขย่าเหมือนร่างกายเรานอนหลับพยายามปลุกเหมือนมครันะให้มันมาอยู่ที่กายเนี่ยแห้งกระฉับกระเฉงเมื่อมนติดเอนเบาๆอยู่นั่นแหละครับนะตัวที่ติดอยู่คือตัวนั้นแหละร้อยยี่สิบสี่ดีใจให้รู้ว่าดีใจ กราบนพิธการหลวงพ่อค่ะไม่ได้ส่งการบ้านมาประมาณสองปีเศษก็ที่ผ่านมาก็ขึ้นๆลงๆเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็บังคับไม่ได้ทีนี้แบบช่วงหลังๆนี้เนี่ยสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นทุกเห็นทุกมากค่ะทุกทั้งกายแล้วก็จิตทุกมากจนแบบจิตมันบอกว่าไม่เอาแล้วกลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้พอพอเห็นตรงนั้นปั๊บพอพอกลัวแล้วไม่เอาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นความคิดก็ หยุดไปเลยทุกทางกายก็เบาบางขึ้นเรื่อยๆเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณสองวันนะคะหลวงพ่อก็เล ย, ยก็ก็ด<ๆ>ีอะค่ะก็แล้วก็ทรงอย่างนั้นมาตลอดแต่อย่าให้ทรงอยู่น ะ, ะมีอยู่ก็มีแต่อย่ารักษาไว้ตรงนี้มันจะกลายเป็นทําให้เราติดในความสุขอันนี้แหละก็หลังๆที่ภาวนาจะมีจุดหนึ่งที่ไม่ไม่แน่ใจก็คือเวลาที่คิดว่าจิตตัวเองตั้งมั่นเนี่ยไม่แน่ใจว่าตั้งมั่นเป็นกลางหรือว่าเข้าไปติดในความว่ายัางติดอยู่ ยังติดในความว่างอยู่เลยจุดที่ต้องสําคัญก็คือให้รู้ทันว่าเราพอใจในความสุขความว่างให้รู้ทันความพอใจตัวนี้แล้วมันจะไม่ติดของคุณเนี่ยเฉฟามันทุกข์มากนะจิตมันหนีมันหลบเพราะมันในว่างแล้วเราก็ไปอยู่ตรงนี้เราก็บอกเราห่างทุกข์ออกมาแล้วความจริงมันหนีนะให้รู้ทันว่ายินดีพอใจในความว่างในความสบายในความโปร่งถ้ารู้ทันนะมันหลุดออกมามันเป็นกลางนะขอบขอบคุณค่ะห้าสิบ ห้าสิบเปอด์ห้าสิบเห็นไหมของคุณเนี่ยจำเป็นที่ต้องถามนะ่งี้ติดอยู่ในว่างเสียเวลามาส ก, การคะ่ะหลวงพ่ อ, อ, อรู้สึกว่ามาภาวนาแล้วที่<ด>ภาวนาใช้ได้นะแต่ว่าดีคหลวงพ่อเคยบอกว่าให้ตัวเองอายุเยอะแล้วให้พี่ดูกยยารขยับกายแต่ตัวเองเนี่ยชอบลมหายใจได้ไหมคะหลวงพ่ออะไร น, นะถ้าชอบตามลมหายใจอะคะ่ะได้แต่ว่าอย่าให้เคลิม้ม ถ้าหายใจนะเดินก็หายใจยืนก็หายใจนั่งก็หายใจไม่ใช่ต้องนั่งหายใจอย่างเดียวใช้ค่ะแต่คราวนี้บางทีมัรู้หายใจหยุดใจมันลอยไปที่อื่นก็กลับมันลงอย่างเนี้ยใช้ได้หายใจแล้วใจลอยเรารู้ว่าใจลอยอย่างนี้ใช้ได้ดีเห็นขาขยับแล้วก็ใจลอยได้ได้ได้อย่างนี้ดีมากเลยนที่ภาวนาตอนเนี้ยดีร้อยเจ็ดสิบหกพครับครับกรรมนรสการหลวงพ่อครับเพิ่งมาวันแรกครับ ก็อยากจะขอคําแนะนำว่าไม่ทราบว่าดูคายหรือว่าดูจิตดีครับขอบคุณนะพยายามเคลื่อนไหวให้เยอะๆไบนะแล้วเวลากระดุกกระดิกไปเวลาหายใจไปอะไรเงี้ยใจมันลอยรู้ว่าใจลอยไปรู้ตรงที่ใจลอยบ่อยๆนะก็อ<ห>ารมณ์กรรมาฐานมาอันหนึ่งก่อนก็ได้จะสวดมนต์ก็ได้ละห้องซ้ำมาอะไรเงี้ยนโมตัสซาอะไรก็ได้แล้วใจหนีไปคิดก็รู้ใจหนีไปคิดก็รู้ฝึกตัวนี้บ่อยๆก่อนครับนะ ปกติมันจะเกิดต่อไปเบอร์ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบเก้านมัสการหลวงพ่อกอ็อตื่นเต้นนะครับก็ไม่ได้มาวัดประมาณเก้าเดือนนะครับแต่ว่ามีช่วงหลังๆนี้ที่พยายามภาวนาให้มันเข้มข้นขึ้นนะครับไม่ทราว่าดีดคือตอนเล่นไฟนาภาวนาว คือจิตมันเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วบ้าเริ่มตื่นนะแต่ตอนนี้นไปเกรงเอาไว้ตอนนี้ไปแข็งไว้ตรงนี้แข็งนะครับใครรู้สึกเอาไปทําต่อแล้วหกสิบสามไม่มาเก้าเดือนนะหลวงพ่อไม่ไ ม, ไม่ไม่นึกว่านานเก้าเดือนด้วยซ้ําไป <c oughs> เป็นการภาวนายัางกระฉับกระเฉงดีอยู่นวัตการหลวงพ่อครับ <c oughs> ครับคือตอนนี้ที่ทําอยู่เป็นหลักๆก็คือวิ่งแล้วก็ดูเท้ากระทบ แล้วก็นั่งสมาธิอยากกวนถามว่าที่ทําอยู่เป็นไงบ้างครับมันก็เพ่งสิวิ่งแล้วไปดูเท้านะแทนที่วิ่งแล้วดูเท้ากระทบเนี่ยวิ่งแล้วเห็นร่างกายมันวิ่งใจเป็นคนดูครับเห็นเหมือนคนอื่นวิ่งอะ่ะไปวิ่งแล้วเห็นเหมือนคนอื่นวิ่งไปเดินแล้วเห็นเหมือนคนอื่นเดินไปนั่งเหมือนคนอื่นนั่งนะหายใจอยู่เห็นเหมือนคนอื่นหายใจฝึกอย่างนี้เรื่อยๆใจจะเด่นขึ้นมาคือยังติดเพ่งอยู่ใช่ไหมใช่มันยังไม่ตั้งตัวรู้ขึ้นมาครับ ร้อยห้าสิบสองเห็นไหมส่งไมเห็นเหมือนคนอื่นส่งไมนะ่ยิ้มเห็นไหมเห็นเหมือนคนอื่นยิ้มนี่แหละฝึกไปอย่างเงี้ยดูมันดูคนอื่นไปเรื่อยๆเอา ว, ว่าไปผมก็ไม่ส่งการบ้านมาเก้าเดือนแล้วเหมือนกัน<อ>ครับผมแล้วไปภาวนาเนี่ยภาวนาก็เป็นกลางมากขึ้นนะครับแต่ว่าจะจะอยากดีมากๆเลยอยากดีไม่เป็นกลางครับ ต ร, ตรงอยากดีเนี่ยจะไม่เป็นกลางมากแล้วก็การภาวนาเนี่ยจะไม่ค่อยมีวินัยในตัวเองจะไม่ค่อยเข้มแข็งในการปฏิบัติตัวนี้ต้องต้องให้มีวินัยนะเป็นจุดอ่อนเลยล่ะครั บ, รบแล้วก็ยังหลงกับโลกไปมากครับธรรมดานะวัยขนาดนี้หลงบ้างอย่าหลงเยอะนะครับเดี๋ยวโลกมันทําพิษเอาครับอย่าทิ้งการภาวนาอายุเท่าไหร่แล้วยี่จะยี่สิบห้าแล้วครับแล้วขยันภาวนานะร้อยห้าสิบหก นมัส ก, การครับหลวงพ่ อ, อ, อภาวนาตอนนี้ที่เป็นอยู่ก็เริ่มเห็นขันกระจายนะครับแล้วกเ็เมื่อวานเนี่ยเห็นเห็นเวทนาแยกออกมานะครับแต่ว่ามีความรู้สึกว่าจิตเนี่ยมันยังเข้าไป เ, เข้าเป็นแนบในส่วนที่เป็นเวทนาคือรู้สึกว่าจิตเนี่ยมันสังเกตว่าจิตมั น, มนไม่ชอบครับนะแค่นึกถึงยังไม่ชอบเลยนะครับ และบางครั้งจะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าจิตเนี่ยมันเหมือนกับถูกบีบคั้นขึ้น ม, มาเองโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะนั่นแหละดีแล้วดูมันไปคเห็นไหมมันไม่ใช่ตัวเรานะอยู่ๆมันก็ถูกบีบคั้นครับดีก็ทําต่อไปนะคะทำต่อไปนะไม่มีตัวเราหรอกรกราบขอบคุณค <17 1. S 3> รับร้อยเจ็ดสิบหนึ่งกราบนมันสะบันองพ์อค่ะเพิ่งมาครั้งแรกอะค่ะแล้วกําลังจะเริ่มปฏิบัติอะค่ะแล้วก็ภาวนาแต่ว่ายังไม่ทราบแนวทางปฏิบัติอะค่ะ อ่านใจตัวเองไปเหมือนสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วไปดูมันเรื่อยๆไปเคยค่ะแต่ยังไม่สําเร็จเลยค่ะสําเร็จยังไงคือยังยังแยกไม่ออกอะค่ะว่าอันไหนทุกข์อันไหนนี่ค่ะเหมือนเรื่อยๆไปเปลยทั่วไปค่ะทุกข์ก็ไม่รู้จักเหรอเหมือนยังจับไม่ได้ค่ะว่ามันรู้จักไม่ความสุขเป็นยังไงค่ะรู้จักไหมความทุกข์เป็นยังไงค่ะรู้จักโกรธไหมค่ะรู้จักโลภไหมค่ะรู้จักใจลอย ใจลอยรู้จักไหมค่ะอิจฉาเป็นไหมค่ะกลัวเป็นไหมค่ะกังวเค่ะกเป็นมค่ะกลัวเป็นไห่ะกลัวเนไหมค่ะกลัวเป็นไหมค่ะกลัวเป็นไหมค่ะกลัวเปไมค่ะกลัวเป็นไดมค่ะเปรน้มค่ะกลัวเป็นไหม่กลัวเป็นไหคัว เ, เนไหค่ะลัวเป็นม่ะลัวเป็ไม่ไ ะ, ะ, รรมะกลัวเปหมค่ะลัว <c oughs> เนไม่ะกลปมดไค่ะัวเปหมคกวเป็นไหม ค, ค่ลกลัวเ็นค่ลัวเ็นค่ะกลัวเป็นคะลัวเนไหมค่ะกัเนไค่เน โมโหขึ้นมานะเราก็เห็นใจที่โมโหใช่ไหมอย่างนี้ใช้ได้ค่ะถ้าอยู่ๆไหนมีอะไรให้ดูดูดู ด, ดูไม่มีอะไรให้ดูเลยเอาคนไปผิดตรงที่อยู่ๆก็จะนึกจะดูก็ดูเอานี่แหละมันไม่มีอะไรให้ดูหรอกค่ะเบอร์ห้าสิบหนึ่งอยู่ข้างหลังนะข้างหลังน้มันสการค่ะหลวงพ่อก็เอช่วงนี้ปฏิบัติ มีหย่อนยานบ้างแล้วก็มีที่บางวันก็ดีบ้างนะคะแต่รู้ว่าขาดเรื่องวินัยนเข<ร>าน้อย<ว>เยอะนั่นแหละน ะ, ะขาดตรงนี้แหละก็ช่วงนี้เริ่มเห็นความยินดียินร้ายคือความชอบกับไม่ชอบในใจอะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวที่ผลักเราให้ใกระทาต่อใช่ค่ะเห็นไหมรู้แล้วมันไม่จบรู้ว่ามันทําต่อ เพราะมันยินดีหลร้ายดีละที่เห็นแล้วก็หลงบ่อยเหมือนกันนะหลงยงอรคุณตอนนี้ปัญหาคือต้องมีวินัยเท่านั้นแหละนะแล้วมันจะดีร้อยหกสิบลวงพ่อค่ะสภาวะที่ในจิตมันมีน้ำหนักแล้วมันก็จะวาร์ปมาที่หัวใจเรื่อยๆเนี่ยค่ะก็ไม่ว่ามันมันเป็นไงก็ได้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกเห็นไหมเรารู้สึกมันอะไรอ่ะอะไรอ่ะใช่ไอ คือมันเกิดเรื่อยๆก็เลยว่านะไม่มัน อ, อยากลําพันเนี่ยเรารู้ทันตรงไปเลยนะ<า>ใจเข้มแข็งขึ้นแล้วรู้สึกไหมแต่ก่อนถูกหลวงพ่อว่าเรื่อยๆหรือว่าใจขี้อ้อนอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่ก่อนชอบคร่ำครวญเออคร่ำครวญเรนนี้เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกไหม<า>เ อ, อเห็นไหมหลวงพ่ออบรมลูกศิษย์นี่นะด้วยความโหดจริงๆเลยครําครวญก็ไม่ได้เห็นไหมแล้วดีขึ้นมา รู้สึกมดีขึ้นเยะขอคุณหลวงพ่อยังสูงค่ะหลวงพ่อคะขออนุญาตคะ่ะเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนี่ยจิตมันมีโทสะอย่างแรงเหมือนมาบ้าเลยอะค่ะกัดคนอื่นรุนแรงมากเยแล้วหนูอยู่อยู่หม า, มาบ้าไม่ได้มีโทสะนะอ่ะเพราะงไงค่ะแล้วอยู่อเหมือนกับจิตเขาก็บอกตัวเองว่าออกมาสิแล้วเราก็เหมือนกับรู้ว่าที่มันเกิดโทสะแรงขนาดนี้เพราะว่าไปเฝ้าจ้องเขาเกาะติดเขาอย่างนั้นถูกต้องไหมครับเก็บกดนั่นแหละ พอหมดแรงกดนนะมันก็ไหลขึ้นมาเลยใช่ค่นะปล่อยซาภาวนาดีขึ้นเยอะแล้วขอบคุณค่ะเบอร์สี่สิบเจ็ดอยู่ข้างหลังสี่สิบเจ็ดนะรีบดมอย่าดมเลยระวังหัวใจวายไปนะนมัสการหลวงพ่อครับส่งกันบ้านในรอบห้าเดือนนะครับหลวงพ่อยังผมยังภาวนาภาวนาดีขึ้นนะจิตใจมีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นทาสม่าเสมอไว้ รู้สึกช่วงนี้จิตโดนอารมณ์ครอบงําง่ายอเป็นคนเซนซิทีฟป่ะครับหลวงพ่อให้รู้ทันนะจริงๆแล้วแต่ละคนเซนซิทีฟนะถ้าเพ่งเอาไว้มันก็เหมือนไม่เซนซิทีฟตอนนี้เราไม่ได้เพ่งแล้วเราปล่อยไปเยอะแล้วแต่ยังเพ่งอยู่มีนิดหน่อยนะไม่มากอ่ะแต่งทําในรูปแบบได้ใช่ไหมครับได้ขอขระคุณครับหลวงพ่อภาวนาดีขึ้นเยอะเลยเพบ่มสี่สิบถ้าอยู่มาตั้งนานแล้วไม่มีกิเลสเลยนะแสดงว่าเพ่งเอาไว้นาฬิการหลวงพ่อค่ะ หนูไปปฏิบัติมาหลายที่อะค่ะแต่ละที่อย่างเงี้ยค่ะเขาจะให้เรานั่งสมาธิใช่ปะคะและ้วทีนี้หนูมันนั่งเองเนี่ยค่ะมันจะนั่งไม่นิ่งอะค่ะพ่ออืมนั่งอะไรนะจะนั่งแล้วไม่นิ่งค่ะจิตมันจะฟุ้งซ่านนะคะมันนั่งได้ไม่นานนะคะ่ะวัดหลวงพ่อไม่เหมือนที่อื่น่ะค <ขา S 1> วัดหลวงพ่อนิยมมากเลยฟุ้งซ่านเนี่ย <c oughs> <c oughs> จิตฟุ้งซ่านแล้วก็ดูมันไปดูมันฟุ้งซ่านใจเราเป็นคนดูหลวงพ่อพุทธเนะ่ะใครเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อพุทธาง หลวงพ่อพุทธานิโยสิ้นเป็นนานแล้วหลวงพ่อพุทธเคยสอนนะบอกว่าฟุ้งซ่านกับปัญญาเนี่ยนะคาบเส้นกันนิดเดียวจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยคือจิตมันทํางานถ้าเรามีสติตามดูจิตที่ทํางานไปมันจะเกิดปัญญาส่วนจิตที่สงบอยู่นั้นไม่ยอมมีปัญญาหรอกไม่ยอมทํางานเอาแต่ความสุขความสงบเพลินเปนไปวันหนึ่งวันหนึ่งยังไม่พอนะแค่สงบอย่างตอนเนี้ใจแอบไปคิดแล้วรู้สึกไหม เวลาที่ใจหนีไปคิดมันลืมกายมันลืมใจการภาวนาเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากเลยนะคือสติต้องคอยรู้กายคอยรู้ใจนั่งภาวนาไปแล้วก็เคริมเคลิ้มไปก็ใช้ไม่ได้นั่งแล้วฟุง้งลืมกายลืมใจก็ใช้ไม่ได้แต่นั่งแล้วคอยรู้กายรู้ใจเช่นใจสงบหรือว่าสงบใจฟุงรรฟ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านอย่างนี้ถึงจะใช้ได้นั่งดูมันเหมือนเราดูคนอื่นดูกายเหมือนดูคนอื่นดูใจเหมือนดูคนอื่นอย่างใจมันโกรธเราเห็นเหมือนคนอื่นมันโกรธ ร่างกายมันเดินเห็นเหมือนคนอื่นมันเดินอเราเป็นแค่คนดูไม่เกี่ยวข้องด้วยฝึกอย่างนี้นะถึงจะได้ปัญญาฝึกสงบเฉยๆไม่มีปัญญาเออละร้อยยี่สิบนมัสการหลวงพ่อครับเออผมจะต้องปรับุงตรงไหนบ้างครับฮะจะไปปรับอะไรมันแหะรู้อย่างที่มันเป็นสิถูกต้องแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เพ่งอยู่ใช่ครับแม้และใจมันฟุง้งดูออกไหมครับแค่แค่รู้รู้ด้วยความเป็นกลางนะ อาเบยี่สิบห้าเคยมาส่งการบ้านนะครฟังซีดีเมื่อปีประมาณปีครึ่งนะครฟังแล้วก็มาส่งหลวงพ่อบอกว่าใจมันแข็งปกนะฮะผมก็กลับไปนะครับก็ก็กลับไปเพ่งต่ออีกปีกว่านะครับพอจะเริ่มต้นปฏิบัติมันก็มันก็แข็งขึ้นมาอีกแต่ผมก็ดูว่าเออมันอยากแข็งก็แข็งนะฮะเออใจถึงถึงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ตื่นตื่นขึ้นแล้วครับแล้วก็มองเห็นบางทีก็เห็นอิทธาปัจจตาบางเทนก็เห็นจิตเปนนต็นนาตาฮะเวลามันจะวิ่งไปก็วิ่งไป ก็คือเขาเขาวิ่งขึ้นไปเดี๋ยวพูดพูดช้าลงนิดเถอะหลบมันเสียงมันก้องหลบเพฟังไม่ออกบางทีก็เห็นจิตใจก็คือสมมตินั่งอยู่เฉยๆนะครับบางทีก็นั่งดูกําแพงบางทีก็จิตใจที่คิดก็วิ่งเข้ามานะครับแล้วก็วิ่งไปคิดบางทีก็ดึงสัญญาเก่าๆขึ้นมานะครับด้วยความรวดเร็วบางทีไม่กี่วินาทีก็ดึงสัญญาเก่าขึ้นมาไปปรุงไปปรุงเป็นราคาโทสะโมหะได้เลยดีนะแสงเจกตได้ไหมมันทํางานได้เองครับมันไม่ใช่เราหรอกนะถ้ามันไม่คงที่เลยมันเปลี่ยนแปลงตลอด ถ้าเราเพ่งไว้นิ่งนะจะไม่มีปัญญาแบบนี้หรอกแล้วตอนนี้ผมผมทําอนาปนานสติเพื่อให้จิตตั้งมั่นเนี่ยอันนี้ผมทําผิดหรือถูกครับลองทําให้ดูหนะ่อยอย่างนี้ไม่เอานะอย่างนี้น้อมจิตไปให้นิ่งอนาปนานสติแปลว่ามีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ใช่มีสติให้จิตนิ่งนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเอาความรู้สึกตัวเป็นหลักไว้อเอาหายใจใหม่ เริ่มเพ่งลเริ่มเพ่งหน่อยๆนยแล้วนะอย่าไปเพ่งมันหายใจแล้วก็เห็นร่างกายหายใจหายใจแล้วเห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยๆพอหายใจไปหายใจไปจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดแล้วก็แค่หายใจแล้วก็แค่รู้สึกรู้สึกกายเห็นกายหายใจรู้สึกจิตเห็นจิตหนีไปคิดเห็นจิตไหลเข้าไปเพ่งเี่ยเน้นน้อมใจอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้น้อมใจให้อ้อยส้อยอ้อยิงนะไม่ดีมันทาให้เราติดสมถะ ของคุณไปรู้อิทิยาบทสี่ดีกว่านะไปรู้ลมเนี่ยมันเคยชินที่จะเข้าไปเพ่งให้นิ่งนะไปยืนเดินนั่งนอนแล้วเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปตีกอฟก็ได้เห็นร่างกายปวดนะครับผมขอบคุณครับนะอย่าอย่าไปเล่นลมหายใจนะมันยังติดอยู่เอาเชิญกลับบ้าน